มือจักของคุอ่ะแตห่าถามก็คือพระทั้งหลายกับฟั่งลู่พ่อมบินทวานได้ซักวัลเป็นได้ักว่าเห็นคับคับพ่อแล้วะลวไปรไปออกไปทางนั้นออกไปทางในบ้างไปแล้วเป็นมั่วเปะตายอยุปายานอีกด้เขาสู้พระพนัพระองค์ก็เลยบินทวดไปแล้วไปหอดทันโอ้โอเทระองค์เนี่ มาชิดล้มปานนี่ว่าสัแล้วม่เฮาไปสัมจั h a ั g แล้วสิพาเอาพระเทระองค์นี้ไปถวายพระเพิ่อนพระเชุสงสัมจั hang แล้วพระ อ, องค์เก้าพระชุสงอะไรกราบทูดพระ อ, องค์เก่าเป็นทั้งเจ้งว่าพระเทระขอน่อยก็ฟั่งเทพทันแล้วกัย่างมหาหันแล้วก็บ อ, อ บ, บ้านมหาหันก็มาตายขวงข้าวโม่เฮาอยู่สามารถยังลาพระเทระ หุ Lions, ven, ้ยพ er an mm ่อเขาฟังเทศเขาทำเ็สประหัน่างนี้ไว่านมากเนี่ยก็งอเลยมเตะเขาท่านเขาก็เลยตายเขาเขาสูพันิอ้ผ้านแล้ว่นกลับมาไหนพ่นตรีศาสตร์ก่อนพ่นจังไปทั้งสั่นก็พันบ่ได้ถามคุบว่าอาจารย์ไปอีกซะเรียกว่าเพิ่นคื้ชีพวังอยากบวชเพิ่นขึ้ชีพวังอยากบวชพอเพิ่นเป็นฆราวา ขันพระวังอยากเขามาบัวอะไรก็ต้องสิ่งล้มป่านไว้ไวได้มาเกินเจ็ดวันเพราะฐานะของฆรวาสเหมาะสมพระอรหันติพายุเกิดมาสมพระอรหันต์สมพระอาณาค่ามีสมฐานะสิพายุอยู่พระสกทาค่ามีก็สมฐานะสิยุตลอดอายุไขพระศวัดีวันก็อยู่ได้ตลอดอายุไขส่วนพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ท่ า, านฆราวาสขันว่ามาบวชกับว่าสามารถอายุเกินเจ็ดวันมันต้องเขา้าสู่พระนิพพานพระทุตโทษธนากับคือกันพระทุตโทษธนะพระองค์เก้าขอไปเทศกําลังปลัวหลายๆวะพ่เสริมพระอระหันต์แล้วเพิ่งกัดเซ็นรบป่านมันจะทโทษธนะกไปเลยว่าเสียดายอยากมาบวชอีกเป็นฆรวาส ส่วนพลเรือนพิกซูซามเ น, น่อะไรแต่เหตุการณ์พิกซามเ น, น่ในพลเรหันเธออยากอยู่ได้เท่าไรกระามอายุขของเธอส่วนพลเรหันฆราวาสอยู่ะระดับขันว่ามาบวชเพศธรรมชาติยยยอยูอลลอ่ไปอยู่กัเจ้าขงเงี้ยนอกของคนพ้นหรอเนาะไม่ก็ไปท่นเนี่ยคนพ้นจากฆราวาสคนพ้นจากเป็นพลเรือนขันบวชขมกาขวังมาเสิ ม, มาเพื่อปฏิบัติเพื่อ อ, อาหารหัน เดีวมันแอพระลหันจะ า, าวาจั ก, จากมากอยู่ให้ยังไปกไปครับเนี่ยอันผู้พันวามักบวชดว้วนะ ผ, ผู้พันายจากไม่อายุยืนดวยเอีกมันก็ไปนะพระอณาคามี่ ม, มลา่ผู้ยิ่ยงกับผู้ช่ายผู้ยิ่งก็เป็นพระหันผู้ท่ายอผู้ยิ่ยงก็เป็นพระอาาฆามี่ผู้ท่ายกับเป็นพระอาณาคามี่ เอาไปขังไว้ในห้องมัดคลื่นความกระเซ้าเขา่็เห็นยังกันวนพระทหารก็เล้ยวแล้วแต่สวนพระสวัสดาวันก็เล้วคือกันักัน่มันหลมันเมื่อของเนเพิ่นกับว่เห็นกับว่แ่ก็เล้วขึ้นกันพระสวดาวันกันเพราะมันม่ขอบเขตของเงิน่นักราคาเพิ่นเบาเลยเด้โทอสาเพิ่นกระเบาด้วยโมหะเพิ่นกระเบาด้วยคละคาเบาทอสามันกระเบาขึ้นกันโมหะมันกระเบาคือนกันันโมหะเบาโทอสามันกระเบาราคามันกระเบาคือกัน มันว่าไม่ใช่บเบาไปไแต่ละอันละอันแต่ว่าโมหะพวกโมหะนั้นหายทีหลังโมเพราะเป็นของละเอียบมันจะเทียบโมหะเทียบเหมือนไฟฟ้าโท่สะเทียบใส้ไฟลุกสูงสูงลาคะเทียบใช้ไฟมีทานหรือมีไออมีทานด้วยโท่อสะเปรียบทั้งมีทานด้วยมีแสงด้วยโมหะเปรียบเหมือนไฟฟ้า ดอกฮัททัศน์ดาเห่าอยังไงแยมไม้เห่านึ้อโกดนามเรียงหัวใจของหเห่าดําย่ไมเหาภาวนาเหานืกอนม่านในสีในภาวนานาเรียงขอใจของเหากรบว่าดาเหนกุการั์นู้เหาโกดเกันีมันจังซีดออกมากนาดำนาเรียงล่ะ <laughs> สันะ้นหร อ, อกมันเสียเงาว่า วางไหก็อนนั่งแล้วทานเยี่ยมที่ยงเที่ยงสีเนี่ยตนเทวดาแมแม่นดีจริงอยู่อันนั้นเป็นอุปจารสมาธิจริงอยู่จริงอยู่แต่พวกปัญญาก้าเขาไม่อะไรเลยเห็นพระเอ็นไหมเห็นพระเอ็นก็อยู่ได้อำนาจอนิจจังเกิดขึน้นแล้วแลวแบบพวั้แกสลด์น่พวกปัญญากา้าพวก เตวิโตชละเตเนโอเป็นสมถะพระโ ต, ตนะมันเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานสามส่วนในปรัชนาส่วนหนึง่งส่วนสุขัยวัฏโกฎเจริญในปรัชนาส่วนหนึ่งเกี่ยวเลในปรัชนาสามส่วนสมถะส่วนเดียวมีปัญญาสามส่วนมีความสงบส่วนเดียวให้บอกสัง่งไปพร้อมกันสุขัยวัฏโกเดี๋ยวนี่หา้า เขาก็เห็นอยู่เขาเห็นมัดไปโลกาธาตุทีเดียเนี่ยเขาเห็นอนนี้จังล้วเข้าเห็นมัดไปโลกาธาตุเพราะไตโลกาธาตุมันเต็มไปเลยอันนี้จั ง, อ, จงอันนี้ด้านปัญญาเนี่ยมันเป็นด้านสมถะเนี่ยเห็นทุกข์ขณะนึงก็เห็นโลกรอบนึงนะเพราะโลกจะเป็นเรื่องของทุกข์เห็นสิ่งที่ว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลมีแต่สังขารและของทุกข์ก็เห็นโลกรอบนึงอีกสันกน เห็นดินก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกมันจะไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไปด้วยธาตุน้ำเห็นไฟขณะนึงก็เห็นโลกรอบแล้วพราะโลกจะไปด้วยไฟเห็นโลกโกดลงขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกเหมือนกันพราโลกจะไปด้วยโลกโกดลงนั่นี่ได้ปัญญาเข้าใจหรือเป่า ได้ยาเรียกนทีัามในอดวสเน่ามอดทำได้สามารถทาได้ไม่ผูกขาดอยู่กับเพศฮอโรโมนผูกขาดอยู่กับผู้ทมเพชดเข็มไม่ผูกขาดอยู่กับเพศฮอร์โมนเพศฆราวาสก็สามารถรู้จัเพชรเคมเหมือนกัน คำคาสอนในพุทธศาสนาไม่ลําเอียงเข้ากับชั่นวันนะไม่ลําเอียงเข้ากับเพศไว้ทำไมจึงเป็นเพศพระก็พวกมี้ว่าจะทามาหากินอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตจำเป็นก็ต้องหมายเหตุให้รู้จักถ้าอย่างนั้นมันปลอมตัวมาบวชประหากินเหตุฉะนั้นจึงมีอุปชามีอาจารย์ <c oughs> เพราะผูกมัดถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่เกียบทํทำนาทำสวนก็มาบวชกันหมดนะความดีคนดีทาได้ง่ายความชั่วคนชั่วทาได้ง่ายความชั่วคนดีทาได้ยากความชั่วคนชั่วทาได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องพิสูจน์อีก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 เห็นไม่รู้ตัวผลก็ไม่รู้ตัวเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าข้าร่าสามารถจะทำพระรหันต์ให้เกิดได้เหมือนกันสามารถทำพระสวสดาวันสามารถทำพระสกทาคามีให้เกิดขึ้นสามารถทำพระอนาคามีให้เกิดขึ้นสามารถทำพระรหันต์ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ได้โยมชันวันนะมันขึ้นอยู่กับผู้พยายามทาใครจึงจะพยายามทา ก็ผู้ที่สร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วนั่นเองมันพยายามถ้าเราเปื่อไม่อยากจะพยายามก็ให้ทราบเถิดว่าบา ร, รมีของเรายังอ่อนอยู่ถ้าบา ร, รมีของเราแก่กล้ามาแล้วมันก็พยายามอยากจะให้ทำแต่เราชันอ่อนให้คอยแก่กล้าก็ไม่ได้ก็รู้จักว่าบา ร, รมีไม่มีเราก็รีบทำเอาแล้วเนาะยะทาวานิวหาภราภิเรพเดชสาสลา เอวเมวายโตตนังเปตาังโอปะปติวิชิตังวิจิตังตูมังเกเมวัชเมจตุสเปปุเรียนตูสังกาปารจันโทปนาราโทยะธาวันิโชติระโสยะธาทะพิโตโยวัจจันตุสัพปะตุโภทะโยเทโภวินักสุตุมาเตหะวัตวนัลโยสุขิกายโภโทอาิวาเนะสีนสานิจังมุตาปชาญาโดยะตาโรธรมาวัทธรติอายุวโนสุขังปะรัง มันเป็นดิ่งดิ่งคําสอนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งเป็นดิงดงนนดงนด่งของชาวโลกข้องขอพระพุทธศาสนาสร้างก็สร้างก็ตามถ้าถิ่มดิง่งเราไปไม่รอดเลื่อนมาจากประเทศไหนก็สร้างทิ่มดิ่งทิ่งเครื่องวัดเครื่องตวงทิ่งดิง่องทิ้งไม่เม็ดไม่เส็นก็ไปไม่รอด นักกฎหมายนหมู่นักพกนัพวกก็เหมือนกันถ้าทิ้งคําสอนพุทธศาสนาแล้วก็ไปไม่รอดเพราะเราต่างคนก็ต่างมีอามาตต่างมีเขเตก็บัญญะเข้าความตัวทุกท่านอันนี้ผู้บัร ญ, ญัติทำคำําสอนพุทธศาสนาไม่มีเกเลตนี่เหตุฉะนั้นจึงเอาเป็นประมาณได้คําสอนพระพุทธเจ้าเป็นดิ่งของชาวโลกแต่ชาวโลกมันขี้โอมันไม่เอา ไม่ไม่ได้หวงเลยโอ้ยทิมาเอาะน่ะโอ้ยหลายพูดไปไป ธรรมสรณะนังกชามิธรรมสรณะนังกชามิสังขังสรณะนังกชามิดุติยมเพยุบทังสรณะนังกชามิดุติยมเพยุธรรมังสรณัชามิ ตัยมเปสังขังสระังกจามิตัดเตียมเปี๊ยบุตรังสระังกจามิตัดเยมเปธรรมังสระังกจามิตัดเตียมเปี๊ยสังขังสระนังกจามิสระน่ากมังเนธิตัง ปานติปะตังเวรามนีสิกขาปังสมานียามิอะดินาดาตังเวรามนีสิกขาปังสมานียามิกามิสุเมตชะชะาวเวรามนีสิกขาปังสมานียามิ มุสาวาดาวีรามณีศ pues <the> er ิขะปางสมภารยามิสุราเมรยามาศิขะปางสมภารยามิดิมาเนพันชศิขะปานีศิเรนสุกนติงยันจิศิเรนาภูงันสัมปะรดะ ที่เรนอันนี้หมดจริงยันีิตัมสมาธิลังวิโสทะเยเมรัมณีแปลว่าเวาน้ะวะเวนแล้วศิกขาประทางสมาธิามิเป็นศิกขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจศินห้านี้ถ้าไมา่ล่วงละเมิดมันก็เป็นสินตัวเดียวอยู่ที่ใจกลุมกืนเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจสินห้าเป็นศีลของพุทธศาสนาเบือเเบ้องต้นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นเป็นศีลของพระโสดาบัน นักนโมนโมแปลว่านอบน้อมนโมกายนโมวายจารนโมใจที่ย่น น, ม น, นโมลงเป็นหนึ่งก็คือนโมใจแปลว่านอมน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอมน้อมพระพุทธมาพระกนัฐกะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นอยู่ที่ไหนก็นั่นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทําเพราะใจเป็นผู้ระลึกถึงหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หาเห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นในู่ทีใจ ถ้าหายก็หายอยู่ที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจหลวงปวู่มั่นเดินังกรมภาวนาไปเขาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อเดินทาไมเดินหาพุโทโธพุทโธเราหายเห็นไหมเราหลวงพอ่อเห็นเห็นอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ใจมันหายออกอย่างไหนหลวงพ่อมันก็หายออกจากใจถ้าหายเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจกระทูก็คือก็คือกระทู่ใจ กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจกระทู้จะมีกี่ล้านล้านก็เป็นกระทู้ใจศีลจะมีขี่ล้านล้านก็เป็นศีลใจสมาธิจะมีขี่ล้านล้านก็เป็นสมาธิใจปัญญาจะมีกี่ล้านล้านก็ปัญญาใจนั่นเองย่นลงมาก็ย่นมาหาใจโวหารก็คือหานลงมาหาใจพระออกไปจากใจพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยออกไปจากใจย่นลงมาเขาย่นมาหาใจพูดเป็นทุกข์กันยบถ้าพูดเป็นทุกข์กันยบก็ อริยรัจสี่้าตสี่ในน้าฝ่ายลงถ้าพูดเป็นห้าก็ประขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขาทวิญญาณถ้าพูดเป็นหกก็ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจพูดของเก่านี่เองไม่ได้พูดนั่นอื่นถ้าพูดเจ็ดก็สัตววาเจ็ด 7. หรืออภิหานจะมำเมเกอย่างหรืออริยรัพเจ7ถ้าพูดเป็นแปดก็อัธถชิกามาฆ่าแปด สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปราจากรมมันโตอาจีโววายาโมสติสมาธิย่นลงเป็นสามก็คือเสียงสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรอดมั่งสัมมาสังกปะรำมิชอบดัมมิจะออกจากกรรมดัมมิในอันมาพยายามบาตริัมมิในอันไม่เบียดเบียนสัมมาเกรจัยเกเรจัยชอบคือเว้นจากวจีทุตจลิตสีสัมมากรรมันตะทรรการงานชอบ คือเว้นจากกายโยตุจิติสสามาสัตว์ ร, รักทรัพยพ์เปิดเผยปิดในธรรมสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรภาวนาให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียนรนักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมย่นความเพียรลงมาเพียรสองเพียรละบาปบำเพ็ญบุญนักหักหนักย่นละนะนะงมาที่ใจสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติสัตปัจฐานทั้งสี่ระลึกถึงกายระลึกถึงเวทนา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 สมาธิ์ไปมาตั้งมั่นในการเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่เวทนาเพ่งอยู่ที่จิตเพ่งอยู่ที่ธรรมก็เรียกว่าชาแังชาแังก็สมาธิ์อันเดียวกันชาแนางตัวชอกระเชิดเพ่งอยู่เพ่งเป้าที่ตั้งไว้สมาธิ์ตั้งมั่นในเป้าที่ตั้งไว้นะสมาธิสมาสมาธิ่เจริญฌานนั้งคือทีนี้ย้อนทำทั้งหลายลงมาสะกอนี้ ลงมาให้เอกจิตเอกธรรมเทศก็เทศเรื่องจิตผู้ฟังก็เอาจิตฟังผู้เทศก็เอาจิตเทศไอ้ที่แทก็มันก็มาถูกกับผู้เทศกับผู้ฟังนี่เองงั้นคนตายก็เทศไม่ได้คนมีชีวิตอยู่จึงเทศได้ผู้ฟังก็เหมือนกันพระวิญญาณมีอยู่จึงฟังได้คำคำสอนของพุทธศาสนามันมีมาก ก็ทําไมถึงมีมากก็เพราะเทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพันษาเทศแต่ละท่านแต่ละคนก็เอามารวมไว้เทศแต่ละท่านแต่ละคนก็เอามารวมไว้ไม่รู้ว่ากี่ล้านคนก็ครบแปดหมื่นสิบพระธรรมขันธ์ไอ้ที่แทร้รวมลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเราดีๆนี่เองย้อนลงมาแล้วก็ศีลสิกขาสิกขาคือศีลอย่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิง่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งอันนี้ ว่าเป็นสามว่าเป็นติ๊กะนิบาตว่าเป็นทุกกรนิบาตก็กายกับใจกระทู่กายกระทู่ใจถ้าจะว่าเป็นติกกะนิบาศก็กระทู่กายวายใจใจหรือนโมกายนโมวายใจนโมใจมูลโมรดกเดิมคือใจมูลเดิมก็คือใจใครเรียนมูลเดิมจบพระนันันเรียนมูลเดิมจบคือใจของท่านพระเมรุเกเพระโสดาบัน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 สมบัติของพระสวสดาบันก็มีอยู่อีกหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุพะทธธรรมประสงค์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือไม่คือเชื่อกำและไม่เชื่อคือเชื่อกำและเชื่อมงคลสี่ไม่แสวงหาเฉตบุญนอกพระพุทธศาสนาะห้าบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาะพระสวสดาบันต้องตั้งในสมบัติธประการ และเว้นจากวิบัติข้าะการซึ่งตรงกันข้ามทำทั้งหลายไม่มีมากเราทําให้มากก็มากสิแล้วก็แบดหมื่นสี่ทําทำมาขันก็ขันลงในกายวาจกายนี่เองเทศคนนั้นได้ประโยชน์อย่างนั้นเทศคนนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้ไอ้ที่แท้ประเทศเรื่องศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองแต่เทศคนละโวหารเฉยๆนะแล้วเอามารวมไว้ใครเรียนพระใจไปดกจบก็ พระอรหันต์เรียนพระใไปหลาจบพระอรหันต์เรียนนโมจบนโมพระอรหันต์เมื่อใดมาน้อมน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัตาสงสารนะพุทธังสรณะนังคัจฉามิพระอรหันต์เรียนไตสรณคมจบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัตาสงสารถึงพระเนพานพุทธธรรมสงฆ์ไปรวมพลกันที่พระเนพาน นิพพานพุทธนิพพานธรรมนิพพานสงฆ์พุทธสงฆ์เบื้งต้นก็คือพระสวัสดาิบาลเราดีๆนี่เองนั่นปัณธิตโตขระมาวัชสังบัณทิตเป็นผู้ครองเรือนนัตถีพาลาปรินายกาคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าบัณธิตตาปรินายกะบัณฑิตบัณ ท, ทิตบันฑิตเดี๋ยวบางท่านก็เรียกว่าบัณฑิตตัวทนาบรรโธอ๋อถูกแล้ว อ่านเป็นภาษามาคตบัณฑิตอ่านเป็นภาษาไทยก็บอกว่าวันทิพย์ปันทิ ต, ตานันจ่ารักษาไม่ยากถ้าความพอใจมีถ้าความพอใจไม่มีก็เป็นของยากของหนัก<ม>เหตุทไหนจึงรักษาง่ายเพราะเหตุว่าเชื่อคําสอนพระพุทธศาสนาคําสอนใดๆในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัวแล้วเข้มทิพ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 เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืนเมื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และท่านผู้มีรู้แล้วมันลึกเพียงไหนล่ะชาวโลกมันขี้โง่มันอวดดีอวดดีต่อพระพุทธศาสนาะเอาพระเยชูเอาศาสนาต่างๆมาขึ้นสเตตเอาพระพุทเอาพระโคดมไปขึ้นสเตตชกมวยกับศาสนาต่างๆ มันบาปมากเอาไปเทียบกันเพราะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเห็นอยู่ในชั้นนั้นเพราะกรรมโมนนนาวัตติโลโก้ซัดโลกเป็นไปตามกรรมมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทาไมจึงมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาน้อยนะักเขาตอบว่าเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูง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 พอประทังประทังก็คือผู้เสมอน้าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วก็คือดอกบัวตูมผู้บารมีสูงที่สุดก็คือดอกบัวบานขั้งพระพุทธการเทียบคนสี่เหล่าดอกคนสี่เหล่าคือเทียบใส่กับดอกบัวผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วก็คือดอกเป็นตูมจะบาลในวันนี้หรือจะบาลในวันพรุ่งนี้ผู้ ชั้นที่สองลงมาก็จะบาลในวันต่อๆผู้ที่สามลงมาก็ต่อไปอีกผู้ที่สี่อยู่ใต้น้ำย่อมเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าชิบหายเสียผู้ที่ถือ ว, ว่าไม่มีบาปม่บนนั้นคําพูดที่ยืนยันว่าไม่มีบาปม่บนนั้นนั่นแหละคือเสียงขุดจอบขุดเสียมฝังตัวเองคือเสียงมหาวิจินรกเสียงนรกขุ ม, มืดไม่ใช่ไม่ใช่เสียงคําพูดนะ ทีนี้ดอกวาสิเรามีไหมในคะรั้งนี้มีหรือมีแต่ขั้งพุทธการขั้งนี้ก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาอะคาริโกไม่นิยมการไม่นิยมเวลามีอยู่ทุกการทุกเวลาพระพุทธศาสนาะเราจะปกครองกันด้วยวิธีไหนล่ะเออพระบรมศาสดาบอกแล้วทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง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 พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอาบายมุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติโลกของเราเอามาทํามาสร้างกันอยู่มันก็โอนรมานกันกันอยู่ทุกหยอมหญ้านั่นนันนั่นนันพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอาบายมุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์วิบัติโลกของเราเอามาทํามาสร้างกันอยู่มันก็อนรมานกันกันอยู่ทุกยอมหญ้านั่นนั่นนันนั่นถ้าไม่ถูกมนุษย์สมบัติสะวรรนสมบัติ จะถูกมาจากประตูใด้ัน น, นั่นนั่นนนนนถ้าไม่สูตสอนสมบัติพรมสมบัติก็ถูกมาจากประตูใด้นิพพานสมบัติก็ปไปในตัวนะ่นนั่นเขามันชื่อเป้าผิดแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วน่เพระพุทธศาสนานักเกรีงหญิงนักเกรีงสุรานักเกรีงเล่นการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรเจ้าข้ามทำงานงานในทางที่ชอบเป็นมนุษย์วิบัติ ดื่มนําเมาเมีโทษหกเสียทรัพก่อการสร้อยญาติเกิดโรคต้องถิ่นเตียนไม่รู้วจากไอถอนกำลังปัญญานั่นนๆ่นนั่นง น, น, นเอ็กเพื่อปรมศาสดาเชื่อกลางคืนเมีโทษหกชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักรักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความลําบากมากเที่ยดูการเล่นเมีโทษตามวัตถุที่ไปดูห ตรำที่ไหนก็ไปที่นั้นดีสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั้นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั้นสะเปาที่ไหนก็ไปก็ไปที่นั้นเถิะเทิงที่ไหนก็ไปที่นั้นครบคนชั่วมีเป็นเม็ดมีโทษตามบุคคลจะครอบหกนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงชุรานำให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนำให้เป็นคนรวงเขาด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นหัวไม้ เกียรติขั้นทํางานก็มีโทษหกมักเครอ้างว่าหนาวนักแล้วก็ไม่ทำกันงานมักใครอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วก็ไม่ทำกันงานมักใครอ้างว่าเวลาเย็นแล้วเอามาทำกันงานมักเครอ้างว่าหิวนักแล้วมาทำกันงานมักใครอ้างว่าระหายนักแล้วมาทำกันงานผู้หวังเจริญด้วยพ่อกระซับจงเว้นเหตุเครื่องฉิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นนั่นโหนเองพ่อปรรมศาสตราทายไว้แล้วนั่นนั่น อภัยยมุกทุกประเภทไม่หาว่าจะล่วงละเมิดทั้งหมดประตูใดประตูหนึง่งก็ชิปหายทั้งนั้นหนักหนักหนักหนักมนุษย์สมบัติสอนมนุษย์สมบัติจะผู้ส่วนที่เคยทำอาณานิคมผ่านมาลแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปเล่นหวเล่นเลขเล่นผ่าเล่นบัตรเล่นเบอร์อภัอยยมุกมันมีหลายอย่างเนอทีนี่ตระกูลอันมั่งคัง่ง จะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีลไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือมนุษย์ทุศีนให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานศีลประการนี้เสีย ข, 4, ข้อสี่ข้อสําคัญมากมนุษย์ทุศีนมาเป็นพ่อเรือนแม่เรือนจะเอาเงินไว้ให้มันกีร ล, ล้านมันก็ชิบหายสองสาวันเท่านั้นนะมันเอาไปทำนะนะ น, นันนะั่นคนทุศีนนะั่นนั่นนั่ ทำของคารวาสสิสัจจะสัตซื่อแก่กันธรรมะรู้จักข่มขิตของตนขันติอดทนจาระศรัสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันนั่นพระพุทธศาสนาสอนมดการเขมิพระพุทธศาสนากสอนเม็ดแท้สี่จำพวกหนึ่งเม็ดมีอุปการะสองเม็ดร่ำสุขร่ำทุกขษาเม็ดแหนประโยชน์สี่เม็ดมีความรักใคร่เม็ดสี่จำพวกมีเป็นเม็ดแท้ควรคับ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 สอมิร่วสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ4ี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อน ส, สองปิดความรับของเพื่อนไม่แพร่พายสไ ม, ม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้ชีวิตก็อาจสลับแทนได้สามมิถเนะประโยชน์มีลักษณะ4ี่หนึ่งห้าไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งในความดีสอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสว่านให้สี่มิตรมีความรักใครมีลักษณะสี่หนึ่งทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสอง ก็ด้วยสามโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนพูดสนับสนุนเพื่อนสีมิตรมีความรักใครมีรัก ส, สี่หนึ่งห้ามหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งใจความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่บอกทางสวรรค์ให้มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรปฏิรูปคือไม่ ใช่มิดแท้คนเทียมมิตรไม่วควรคบะหนึ่งคนปอกลอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจุสี่คนชักชวนในทางชิบหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรหนึ่งคนปอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้หน้อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทากิจธุรของเพื่อนเพราะอยากขอจตาง สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหวังจะกินตับกินปอดของเพื่อนสามคนหัวประจบมีลักษณะสี่หนึ่งจะทำดีก็คล้อยตามสองจะทำชั่วก็คล้อยตามสามต่อหน้าว่าสนะเสรินสี่รับหลังตั้งดินทา ขี่คนชักชวนในทางชิดหายมีลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้ําเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันมิตรขี่จำพวกนี้ไม่ใช่แต่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรคบเนื่อนั่ น, น, นพระพุทธเจ้าองคไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้อวดดีต่อกันนะ่จะมากี่ร้านๆเขมาที่ระยุกระยุกเกามาสอนอันเดียวกันถ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติด้วยนั่น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 1. จัดการงานดีสองสมคระคนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ก็ห้ า, ข, าขยันไม่เกียดข้าในกิจการทั้งปวงนันนะั่นละาในระหว่างวิลากับบุตรที่นี่พระบรมศาสดาก็อสอนหนึ่งห้าไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสาม ให้ศึกษาสินธปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้า 5. มอบทรัพย์ให้ในสมัยนะบุตรได้รับบำรุงชิ้นี้แล้วย่อมอนุเคราะห์มานาเวลาด้วยสถานห้าหนึ่งท่านได้เรียงมาแล้วยังท่านตอสองทําจิตธนกของท่านสามดรลงวงะกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อห้า 5. เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน นักนักนักมีที่แจงที่ไหนเบากับนายพรบรมศราสดาสอนสอนเบาลุกขึ้นทำการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของเทนายให้ทำการงานให้ดีขึ้นนำคุณของนายไปเสนอในที่นั่นนั้นส่วนนายผู้นายจ้าจัดการงานทำให้ทำแต่พอดีพอแรงเขา จัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองให้อาหารใวรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข้สี่ด้วยแกกของมีรถแปรเวลาให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยเที่ยงวันหรือวันศัสหรือวันทิศหรือวันเสาร์นั่นเพราะว่าเราม่ศาสนาสอนนวดไม่มีสอนโรคจึงสงฆ์นาวาโลกวิถูอนุตรรบริษาทธรมสารถิแต่พวกเราถือเป็นของเฟอร์ขว้าว คว่าง้อนคว่งปลา้อนข้าวมะม่วกด้านปรญญาก็สอนจนถึงปริญญายาตะปัญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณานะประหาน้าปิญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียนั่นปัญญาทางพุทธศาสนาะมิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนดีทำดีก็ส่งเสริมตอนไหนทำชัวว่วก็กีดกันมิตร ด, ดีสหายดีครูดีอาจารย์ดี พ่อดีแม่ดีญา ด, ดีเมต ด, ดีตอนไหนทําถูกก็ส่งเสริมตอนไหนไม่ถูกก็ขีดกันลําเอียงมีอยู่ห้าอย่างลําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติลําเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติลําเอียงเพราะเขาเรียกโมหกติลําเอียงเพราะกลัวเรียกพย า, ตาคติอคติสี่อย่างนี่ไม่คว ร, รเราพฤตเนื้อบวชลูกศาสตนาพวกเราถ้ากระทืดทูลพระพุทธศาสนา ก็เกรงจะไปผิดคนอื่นของดีก็ต้องว่าของดีส ok. so ินะมันจึงไม่ลำเอียงของดีจะไปว่าของชั่วมันก็ไม่ถูกนะนะถ้าจะชมเชยพระพุทธศาสนาก็เกรงคนอํานาจวาสนาคนอื่นเรียกว่าลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคตินะนะคบพระพุทธศาสนาไม่แต่ไม่รู้คนของพุทธศาสนาก็เรียกว่าลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหคติ กำเอี่ยมเพราะรักไข่กันคือรักไข่อันอื่นไม่รักไข่พระพุทธศาสนาเรียกว่าฉันทากติถ้าจะพูดครอครัวคนอื่นเรียกว่าโทสาคติพระพุทธศาสนาไม่ทรงเสนอรับใดใจโลกทาตเป็นรับของพระพุทธศาสนาหมดในตัวเพราะท่านทิ้งแล้วพระท่านไม่เสียาย พรท่านเสวยพอแล้วท่านสวยปัจเจัยชีวันินทบาทเจนาสนะได้เข้าสู่พระนิพพานแล้วก็พิ้งาลลวารดุกก็ให้พวกอยู่ข้างหลังไม่ต้อเป็นกังวลเลยนั่นัน่นสังหารจะมาครับอ่สังหารจะมาครับวิญญาณนะครับสัวิญญาณก็ทรั บ, ญญ ก, รรบก็เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เขาเห็นแก่นะข่าซื้อพระพุทธศาสนาก็มาทําไม่ใช่อํานาจอาสนาของใครนั่งอยู่เยอะเนี้ก็นั่งนั่งพระพุทธศาสนาว่าไงนั่งอาสนะของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พูดอยู่เนี้ยก็ยืมคําพูดของของท่านมาพูดนั่นนั่นนั่นนั่นแล้วจะฉลาดที่ไหนเราโง่จะตายไปขี้พระบรมศาราก็าบอกไปเยี่ยวพระบรมสาราก็าบอกไปถ่ายวัชระถ่ายวัชระอย่าไปยืนเนอ้อพระบรมสารามันมันเหมือมันไม่เหมือนมนุษยจงนั่งลงเสียก่อนเข้าไปไงจงล้างให้สะอาดเนอ้อไม่ชําระอย่าให้ยาวเกินไป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 จึงเราจึงสวสดมนต์ว่าสัทถังสัพยันชานังเกวราปริพุ น, นังปริสุดทังพรหมจาริยังประกาเสสิบารีบูุญแล้วทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะเหตุฉะนั้นตมหังประควันตางอภิปูชยามตามหังประคะวันตางเสีรษารมามาพวกเราจึงได้ยอมกราบไม่ได้กราบแบบโง่ๆตามหังคำมังตามหังสงังขังเขมือกัน ยอมเป็นข้าเป็นท า, นาพราะพุทธภมโสพระสงค์อยู่ทุกเมื่อจึงเปล่นก็ท า, าพุทธัส ah สหัดสัมมิทาโสพุทธัส ah สาหัดสมมทาสีวะของผู้หญิงธร ah ah. รมัสสหัดสัมมทาศีวะธรรมัสสาหัดสมมทาโสสังคัส ah สหั ah. สมมทาีวะสังคัสสหัดสมมทาโสขอเป็นข้าเป็นทาสเพระพุทธรมษระสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเลยนั่น่นนนะมาเทศนา แต่ละยุคและยุคพระบรมศาสนาก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนค้นโคมันไปไหนก็มอบให้พระพุทธเจ้าองค์อนาคตไปในตัวแต่ทุกวันนี้ก็เท่าเขาโคเท่านั้นแหละผู้เริ่มใสพระพุทธศาสนาค้นโคมันไปไหนหมดก็มอบไว้ตามกรรมและผลของกรรมผู้ตาสูงใจสูงทำสูงแล้ว ก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดิงลงไปเลยจนถอนไม่ออกมันดิงลงไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกดิงลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเหตุฉะนั้นพระบรมระศาส a า จ, าจึงมอบให้เป็นสันทิษ ท, ทิโกให้เห็นเองเถิดให้มีอิสระเกิดถ้าเอาทรัพย์มาจ้างมันมันไม่เห็นมันก็ขบวัตคืนใครชนะชนงเอาทรัพมาจ้างมันเหตุฉะนั้ น, า จ, า น, น, น, นจึงปล่อยให้มีเสร็เองนักสันทิษ ท, ทิโกหเห็นเองลงถึงบางโอเองลงถึงบางอาเอง เช่นพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็นพระพุทธศาสนาจ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้จ้าให้มีเสียเขียนเองก่อนไม่ได้หลอกลวงแต่พวกที่โง่เง่าเต่าตุตนก็ไปติดบิดติดแล้วที่นายพรานปย่ยร่อไว้ไก่แก้ตัวหนึ่งเที่ยวหาคุ คุยเขียหาอาหารไปพบปลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดเปลยเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเข็งเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่ข้าวสุกข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขียไปในแปลงอื่นๆหนักหนักนักนไม่เท่าลักธิของเราดอกคุยเขียไปซะ ไม่มีประโยชน์แกเราสู้แต่สู้รัฐที่อันนี้ของเราไม่ได้ไปสัง่งกบเปลือกนายก็เหมือนกันทิ้งขอนไม้ใหญ่ลงไปเสียงดังสะท้านทำให้กบฝูงนั่นตื่นตกใจก็กล้าตัวหนึ่งไหวหน้ามองมางอยขอนไม้ก็ดีใจนาไปนานไปก็เบื่อขอนไม้แล้วไปขอร้องเทวดาอีกเทวดาก็เอานกสามากบเปือกนายอันนี้ก็อันเดียวกัน คนทั er ้งหลายที่หึงพระพุทธศาสนาว่ารู้หลาเต็มทีเออถ้าอย่างนั้นจะให้พระพุทธศาสนาไปนอนอยู่ที่ซ่วมอุจาระหรือนะขังพระพุทธเจ้าเอาหวองเจ้าคํามันทั้งแทงมตัวยอกท่อฟีลาแก้วน้อยนิ่มุนตัวจมูกซาทังซ่มน้อสันว่าขังพระพุทธเจ้าเอาผู้ใดสัน สางว่าสางว่าถึงสี่สิบห้าโกรสมไหมนี่โมีนี่โบคือขังพุทธกาลเนี่ยน่าวิชาขาสางอายี่สิบเก้าโกรธยี่สิบเก้าโกรธโกรธหนึ่งมันมีสิบล้านยี่สิบเก้าเอาสิบไปคู ด, ดูดูกระเป๋าเดียว1ิ9เก้าเก้าสิบสิบหนึ่งมันสิบเป็นสิบเก้าพราะเก้าสิบล้านใช่ไหมกระเป๋าเดียวนักนักอนาถาเป็นที่กเกษตรี สร้างกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโดเอา1บไปกูลสี่สนะิบ้าดูๆรูสี่สิบ้าิิบสี่สิเป็นสี่สิบห้านั่นกระเป๋าเดียวแต่พวกเราแผลๆข อ, ข อ, ข อ, อๆแย่ๆอะไรๆกันจะตายนะ่นแจะไปประมาณทางพุทธกาลหรือนั่นะพัฒนาทางมัตถุนิยมพัฒนาทางอรมคติคือพัฒนาจนถึงปโสดาวันนันนะั่นะ พระธรดาวันไม่ยอมไม่เชื่อใจอยากล่วงละเมิดชิน่าไม่เชื่อใจอยากจะถือศาสด า, าอื่นไม่เชื่อใจอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดเขามาทําผิดพระโิดาวันก็บอกว่าเออถ้าเคยได้ทำผิดมาแต่ชาติก่อนก็ให้แลกกันไปค่ะเราโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับผูกเวรอาชาต จ, จองเวรผูกใจเก็บไม่มีในเรามึงเถอะกูจะเอามึงแบบนั้นแบบนี้ไม่มีในเราพระธิดาวันถ้าเขามากรอใหม่ก็ให้เรากันไปค่ะนึกอย่างนั้นไม่ไม่จองเวรใคร พระสวัสดิ a ัน n อันั่นและคือพระสวสดา a ัน n ปิดอวัยภูมิแล้วภูมิที่จะไปหยาบหยาบสัตยิระชาเตอสุรกายนรกไม่มีตายวันไหนก็ไปมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็สวรรค์อย่างชามาเกิดอีกเจ็ดชาอย่างกลางมาเกิดอีกสามสามชาอย่างเร็วที่สุดก็มาเกิดอีกชาติเดียวพระสวสดาบ w a n ของมานาของพระปรมัสตรศาสดาของเราเป็นพระสวัสดิ awan A กับพิธีจะได้มาเกิดอีกชาติเดียว คือจะเป็นมารดาของพระศิยเมตตาอีกพระปาฐนาจะเป็นมาราของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นมาแล้วกะกุสันโธโกนาธมโนกัจฉโพโคตโมยังอริยะเมตตาโยเป็นมานาของพระนิยมเมตตาโยแล้วก็จะเข้าสู่พระเนพานพรอมพระอริยะเมตตาโยจะได้ลงมาเกิดที่เมือง พารานสีเมืองพาราณสีจะได้เป็นชื่อว่าเป็นเมืองกุตุมมะวดีจะได้ตัศรุ่มไม้ตากระทิงนะครับคือไม่กระทุ่มเลือกนะัมีบทตํานานของพระพุทธศาสนาะไม่เก้อไม่เขินคระพระโมคคัลลาสาที่ตรปรารถนาเป็นสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายมาแต่ข้างพระพุทธเจ้าองค์ไหนพุทธศาสนาตอบไม่เก้อเขินเลยมาแต่ข้างพระเจ้าจอนโนมันทถ์สีนะ่นมีนิทานอีกด้วย พระอาโนนก็เหมือนกันกพระกัตปะก็เหมือนกันมาแต่นานเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ปฏิหานเป็นพุทธเจ้ามาแต่ั่งพระเจ้าปังก่อนทีปังการโรชุตินธน โ, โกนันโยชนป า, าโมโขโหมังคารโรโริษาสะโพ สุโมโซโนทีโรเลวะโตระติวะโตโซปีโตคูเนสัมปันโน อ, อโนมะสักศีชนุตตามโมพระทุโมโรกปัตโชโตนาระโตระสาระติปตมุตตะโรสัตตะสาร โ, สรโรสุเมโธอภติพุโคลสุชาตโตสัมโรกโคชื่อพระพุทธเจ้าทางนั้นที่ลงมาแล้ว ปิยะทัศสีนาทาโธอัฏฐาทัศสีการุณิโคธรรมทศสีตะโมนุโธสิททัตโธอัตโมลโลกเกติสโสจะวัตตะโโลพุทโสจะวัตโทโโวิปัสสีจัณหปโมสิขีสะพายิโตสัทถาเวทสุภูรุคขาไทยโกกะอุสันโธสัตตวาโหอเนกาสะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่ารอยโกดนั่นถึงจะมาเป็นยุคเป็นยุค ก, ก็มากกว่ารอยโกดอีกชค่วัแต่กับก็อสองไขอสองไขกลับเสียแล้วนั่น พระพุทธเจ้าจักรี่พระองค์สาวกสาวกาของข่านจักกี่พระองค์ที่สืบโลกมาเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุ ก, ย ก, ย ก, ยกมาเนี่ยรัฐที่อื่นจะเบียดเบียนพระพุทธศาส น, า, น า, า, บาบ้านเขาเท่ากับว่าบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าตกใส่หน้าเจ้าของเองเท่ากับเอ า, มาเมล็ดพันุ์ผักกาดไปคว้างใส่ภูเขาสชเมโนราหรือภูเขาเหิมะอะไร ใครจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหากรรมและผลของกรรมยังจะกรรตามฟันอยู่นัก่กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนาออกมาแล้วนันนมายืนยันแล้วผู้เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมก็คือผ sure. ู้ถือพระพุทธศาสนาเรานี่เองนั่ก็คื MM. อผู Favorite, ้ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เองผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้ไม่ถึงใจชนะคมนั่นเองนั่นนั่นนั่นนั่นพรวนาพุทโธ พ่อครับเราหายใจเข้าออกธรรมโมสังโฆก็อยู่ด้วยกันที่จะย่อนกรรมฐานลงเนอผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ที่ดวงใจธรรมโมก็พุทโธไปผู้สอนให้ระบาดบาเพ็ญบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งระบาดบาเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาดบาเพ็ญบุญพุทโธพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมก็ทรงอยู่ที่นั่นสังโฆเขปฏิบัติอยู่ในตัวฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเพียรประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยิตะเอาใจพระไฝในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติต่อพรกณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือ ว, วิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียงมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลืกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตนถ้าอาตมาภาวนาอาตมาไม่ได้เอามากเร้่อเอาอันเดียวเท่านั้นถ้าอธิบายให้ท่านผู้อื่นฟังมันเขา้าม่าเพราะโหหานโหหานก็หาลงถึงใจหาลงถึงหนึ่งหนึ่งพระสวัสดิวันปัจจุบันของพระสวสดาบันเป็นปัจจุบัน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 ศีลสมาธิปัญญาจะแยกกันออกไม่ได้เมื่อศีลสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อศีลอยู่ขนาดกลางปัญญาก็อยู่ขาดกลางสมาธิก็อยู่ขณะกลางศีลพระสวัสดิ์วันศีลสัจธรรมีศีลพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระสวัสดิ์วันศีลสมาธิปัญญาของสัจธรรมีศีลสมาวิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระพานศีลของสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าต่างคนข้อต่างอ้างปัจจุบันแต่ปัจจุบันมียิ่งยอดกว่ากันตามฐานันดอนสัก ของปัญญาและกําลังธรรมะของท่านนั่นจะไปตีเสมอกันก็ไม่ได้นะศาสนาทุกศาสนาก็ดีอยู่แต่ว่าอันไหนมันดีกว่ากันเราก็ต้องเอาอันนั้นสิถ้าถ้าปัญญาเราถึงผ้าที่เรานุ่งถือก็เหมือนกันกักางเกงก็เหมือนกันถ้าเรามีเงินมากอันไหนมันดีเราก็ต้องซื้อเอันั้นสิอันไม่ดีเราก็ไม่เอาเช่ในใดก็ดีผู้มีปัญญามากกว่าถึงพระพุทธศาสนาสิ นั right? Tim, right. him, exactly. ่นถูกไหมจะบังคับให้เอาแต่พระพุทธศาสนามาคว้าได้เพราะศักธามันไม่พอจะบังคับให้ผู้ใจสูงมาซื้อผ้าขี้ริ้วเขาก็ไม่เอาถูกไหมไม่ได้พูดทับถมท่านผู้ใดพูดตามมันจริงเห็นอันนี้จังคณะหนึ่งก็เห็นลวกรอบหนึ่งแล้วไม่จำเป็นจะห้องเหินเดินอากาศไปดูถ้าภาวนาดี ก็ต้องเห็นเทือดเทวราเห็นสวรรค์สิเออเขาเห็นแล้วคณะคิดเดียวเขาก็เห็นแล้วชัดโลกโลกคือมือสัต์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมโน โ, โลกโลกแรกแก่เราสิอาศัยอยู่นี่เฉพาะโลกทั้งฟวงเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขายินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวแล้วเขาเห็นผ่านไปแล้วนะพอเห็นอนะตํากว่าพระนิพพานลงมามันเป็นทุกข์ ผู้ที่บาลมีสูงเขาก็ดิ่งถึงพระนิพานผู้ทีบาลมีต่ําก็จําเป็นติดอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติแต่มนุษย์สมบัติก็ยังเลือกไม่ถูกอีกแค่ว่าอนนี้จะเอ๋ยนั่นยังไปเล่นเล่ห์เล่นพาอยู่พราอยากได้อยากเสียไม่รู้ <laughs> อยากเอาทางรัดมันเสียทางรัดไม่ไม่รู้นั่นมันเสียทางรัดเอ้าธนาคารบาลายมุกมีอยู่ที่ไหนไม่ไมี ธนาครารไม่อยู่พระครารอยู่มีเงินมาพอจะใช่ไม่ใช่ไม่ียบเอาไปส่งงวดเขาเดี๋ยวผาดไปเอกผาดไปเอกก็เก่าหัวจนี้งั้นัน่นตัวไหนมันก็เด่นวดเด่นทางคิ้หายก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นละอ่ะมึง มึงถูกบาทหนึ่งกูจะให้เต็มเป่นฟ้าแผ่นดินก็นองเลือดกันในวันนี้นั่นเพระาะทางฝ่ายหนึ่งไม่มีเอา้ายกบุทาหอน n พระบรมศาสตร์โมกคลาเอ๋ยสาเรบุตรเอ๋ยมหากัตริเอ๋ยโมกคลาเอ๋ยโกนธัญวาปะพัทยะมหานามะเอ๋ยวันนี้พวกเราเล่นอาบายามุกเอากีวรเอาบาดเอาบริขารกันเถอะ ทางหนึ่งก็มาเนี่ไปบินทบาทละเพราะของมันจะไปอยู่กับอีกทางหนึ่งเหตุนั้นพระบรมศาสตราจึงเคารพทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระองค์ก็ไม่เคารพทำทำมีอยู่ก่อนพระองค์จึงเคารพทำพระองค์ไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเป็นผู้จําแนกทำก็ไม่สําคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเหตุนั้นจึงเคารพทำสัตธรมโมคารุกาตัปโะ ทำไม่อยู่ทรงอยู่ท่านพระพุทธเจ้าองค์ไดนก็มาเอาธรรมอันเก่ามาเอากฎอันเก่านั่นเองกฎเกณฑ์ปกครองโรกทําคําสอนพระพุทธเจ้าปกครองโรคพออยู่แล้วเอา้าเพียงชี้นห้าก็เอาเถอะเอา้าเอ้าอบายามุข ย, ะ ย, ะยะ้ายทำเป็นโกกรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความร้ายต่อบาความขวัญต่อบา ค, าคาุ้มครองโรคได้นี่สองของ้อทีออกจาก ถ้ามันไปนร่วงละเมิดเซนห้ามันก็คือร่วงไปจากสองข้อนี่ใช่ไหมนน